ลืมคำว่าปฏิบัติซะน ะ, ะจริงๆคําว่าปฏิบัติเป็นสองคำนะคําว่าปฏิคาเนึง่งคาว่าปัติคาเนึง่งเนื่อคนไทยไม่เรียกว่าปฏิบัติไปแปลว่าทําปฏิปแปลว่าเฉพาะเช่นปฏิกิริยาปฏิกิริยาเฉพาะปติปแปลว่าถึงถึงเข้าไปถึงอย่างสมบัติคือเราเข้าไปถึงมันมีอย่างสม่ําเสมอเรียกว่าสมบัติ ปฏิบัติเนี่ย<ม>ก็คือมีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่มากกว่านั้นหรอกไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นหรอกนั้นไม่ต้องทำอะไรมากกายเป็นยังไงก็รู้สึกใจเราเป็นยังไงรู้สึกรู้สึกเล่นเล่นแล้วจะง่าย่ะง่ายอ้าวเบอรต่อไปครับนรมาสการ์ค่ะครั บ, รบนรมาสการ์หลวงพ่อครับจิตมัวมัวไหมหรือสดใสดีช่วงนี้นะครับแตอนเนี้ย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 ไม่เกี่ยวเอ้าเราไม่ได้อิจฉาเราไม่ต้องขอโทษสิตจิตมันเป็ น, <ผ>นคนอิจฉา ะ, ะให้มันไปขอโทษเราไม่เกี่ยวค่ะแล้วก็หนูจะบอกหลวงพ่อว่าหนูรู้สึกว่าหนูเห็นร่องรอยของการที่เราเคยสะหนู ร, นนรู้สึกไม่ตรงที่หนูพูดคําว่าหนูคําแรกอะ่ะมันมีตัวเราขึ้นมาจริงๆดูออกใช่ไหมค่ะพอว่านายเก็กมากนะหนูอะพอดี อ, อหนูสัญญาณมันก็ลืมไปแล้วมันจะบอกว่า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 อาชีพอะไรอ่ะต้องบอกก่อนถ้าอาชีพรับจ้างค่าคนเงี้ยเป็นอุปสรรคแน่นอนเลย <c oughs> อ, าอาชีพทำมาหากินสุจริตนะไม่ครับเวลาต้องพูดต้องสอนมากนี่มันต้องแบบคล้ายๆมันก็ตะเลิดเปิดเปิมไปเงนั้นค่ะตองหัดตองต้อใครฝึเเกเตลิดสุจริตควรจะแบบว่าไม่ต้องประกอบอาชีพแล้วก็มาอยู่แล้วก็ทําอย่างเดียวอย่างนี้จะเหมาะไหมคะไม่ได้หรอกเป็นคารวะต้องทำมาหากินอันนี้เฉพาะตัวเองใช่ไหมคะหลวงพ่อ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 ฝึกอย่างนี้ได้ได่อยนะอาเบอร์เก้าแปดบางทีสื่อสารแล้วมันคลาดเคลื่อนกันมันไม่ใช่แตกหักแบบขําพบพข้ามชาตินะกลับนมาสกรารหลวงพอวอ่อเจ้าค่ะเอเมื่อคราวที่แล้วยมมาจากลำปางนะคะเมื่อคราวที่แล้วยอมมาครั้งหนึ่งมาสามครั้งอะคะ่ะแล้วก็เและยมก็ได้ไปต่างประเทศแล้วก็ก็ได้นําคําสอนที่หลวงพ่อได้แนะนําเนี่ย ก็ไปเจอแหม่มบนเครื่องบินก็คุยๆยให้เขาฟัง mm. เขาก็อีเมลมาบอกว่าที่โยมแนะนำให้เขาไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้ออกมาจากชีวิตส่วนที่ดาที่ดาคือส่วนมืดของเขาโ mm. ยมก็เอาธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยไปแปลธิ่ใบให้เขาฟังและตอนนี้เขาก็อีเมลมาตลอดเวลาเขาก็ประทับใจมากว่าเขาไม่เคยรู้จิตเลยเพราะเขาไปติดยุบหนอพองหนอมานะคะ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 นั้นเราตามดูไปเห็นร่างกายมันไม่สบายเห็นร่างกายมันเจ็บเห็นร่างกายมันตายใจเราไม่เกี่ยวใแใ่เราเป็นแค่คนดนะูอย่างตอนนี้ใจมีแรงอีกแล้วรู้สึกไหมเออต้องอย่างนี้สิอย่างเนี้ยพร้อมจะตายเลยนะตายก็ตายเลยอย่างเนี้ยนะอืมมีสิไปทำเอานะเมื่อก่อนนั้นก็มีพระองค์หนึ่งท่านไม่สบายมากให้ท่านดูไปนี่แหละ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 คือรู้ตัวล่อยดีนะแสดงว่าเพ่งน้อยลงครับแต่พอพอรู้ปุ๊บว่าเผลอปุ๊บเดี๋ยวนี้มันจะแน่นขึ้นมาทันทีครบางทีขับรถอยู่มันแน่นจนหายใจไม่ออกออย่างนี้คือคือก็รู้ว่ามันแน่นนะครับใช่ไหมฮะตามไปอย่างนั้นคือต้องลืมคําว่าปฏิบัติซะนะแล้วใช้ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดากระทบอารมณ์ไปแล้วมันยินดียินร้ายรู้เล่นเล่นไปนะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้ารู้ตลอดเวลาตัวจะแน่น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 เดี๋ยวน้าขอขออีกสองสามคนสองกระสายฟ้าค่ะหลวงพ่อพอมันใกล้มาถึงก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกแน่นแน่งๆิ่งๆค่ะเดี๋ยวไปกดไว้ค่ะรู้สึกไมมหายใจไม่เต็มปอดแล้วค่ะไม่เต็มปอดรู้สึกไหมค่ะค่ะหลวพอยังเหน่อยแทนเลยเนี่ยหายใจจนเดี๋ยวหัวใจวายไปค่ะ เวลาหัวเราอก็สบายอะค่ะใช่หลวงพ่อถึงต้องพูดให้หัวเล้อเข้าใจไหมเพราะหลวงพ่ออยู่คนเดียวหลวงพ่อก็ไม่ไปนั่งพูดอะไรให้ตัวเอหัวเราอหรอกเวลาสอรโยมเลยนะต้องโห้โต่อสู้สารพัดเลยเพื่อจะให้ตื่นนะ <c oughs> ่อเพ่งมากๆแล้วก็ต้องยั่วให้หัวเล้อ <c oughs> จนบางคนบอกหลวงพ่อเนี่เป็นฟ้าหน้าเป็น <c oughs> ไม่ใช่สิเราไม่ใช่ฟ้าหน้าตายดิ อ, อ, อ้าววะ ต่อไปพี่ภาวนาหใช้ได้แล้วนะทำสมาติวนร้นอนอแล้วมันหลุดออกมาครับผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรก<ม>เฮ้ยผมสงสัยวับผมไม่จะดู ก, กายเลยดูใจดีครับของโยมต้องดูกายไปก่อนนะของโยมทำสมาธิมาเยอะครับสมาธิจิตมันนิ่งมากครับจิตที่นิ่งเนี่ยโยมเคยรู้กายด้วยรู้ทีละส่วนเลยนะผมโ ย, ยมยาวดีเอาไว้รู้ ครับเนี่ยรู้ผมเราจิตเราไปอยู่ที่ผมก็รู้นะ <บ S 2> จิตมาอยู่ที่ขนเนี่ยมันก็อยู่ที่ขนคิ้วเราก็รูนะ้จิตไปอยู่ที่ไหนก็รู้ไล่อ ย, อยู่ในร่างกายเนี่ยไล่เล่นๆนะดูกาไปก่อนอนะ่าดูดูจิตดูจิตนะแต่ว่าเอากายมาช่วยเช่นเดี๋ยวเราก็นึกถึงผม<า>นะ <ues S 1> จิตเราไปอยู่ที่ผมเดี๋ยวม่อยู่ที่หูอะไรเงี้ยนะใครรู้สึกไปเราจะเห็นว่าจิตเราวิ่งไปวิ่งมาได้ทั่วตัวเลยเราเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับพยมนะสมาธิเยอะ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 เนี่ยหัดดูจิตแล้ว เ, เขาดูกันอย่างนี้ไม่ได้ดูด้วยลูกตาหรอกอดดรู้ด้วยความรู้สึกผมาหมอะจะดูจิตใช่ไหมครับดูจิตไปดูจิตได้อยู่ครับยกมือยกมือเือร์หกหกกลับในมรดการเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อคืนนี้อากาโยมโยมภาวนาค่ะภาวนาเสีนสังขารของแม่ค่ะแม่แม่ของโยมอ่ะ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 ควรจะเริ่มต้นยังไงไปฟังซีดีของหลวงพ่อบ่อยๆนะฟังแล้วก็สังเกตใจของเรารู้สึกไหมบางทีก็ขำบางทีก็งงรู้สึกไหมใชบางทีก็สนุกใช่ไหมใเนี่ยใจเราเป็นยังไงเราฟังซีดีไปเรื่อยๆนะแล้วใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ใจสงสัยรู้ว่าสงสัยใจขำรู้ว่าขำนะใจสบายรู้ว่าสบายใจงงงไปหมดแล้วรู้ว่างงคอยรู้ทันใจเรื่อยๆไป